ا ัลลอฮฺลงขดะทั้งนี้จากลิ ا านีข้ ن ว่าของข้ ل พเ ن, ن ر ر ا าขอพ ن, ن ي ي ا เจ้าทรง ا ุปส ن ا ์เราด้วยสิ่ง ا ا ่พระองค ن ท م งสอ ر เราทรงสอนเราสิ่ ن ที่เราต้องการท ا งให้ความรู้เราและทรงให้ความรู ا الحمد لله a l dia, nah ha h a m d u l i l l h ما شاء ا หลังจากที่ปลายเดือนนะครับเราหางหายจากการมานั่งเรียนอัลกุรอานในบรรยากาศหลังมริบในมัสยิดแห่งนี้ a l h a m d u l على كل حال ขอบคุณท่านอัลลอฮ์ س ب าละ ت วันนี้ได้กลับมีโอกาส ร้องสัมภาษณ์นักข่าลได้เปิดโอกาสให้เรากลับมาได้นั่งเรียนอัลกุรอานกันอีกครั้งหนึ่งนับว่าเป็นเนื้มตอันใหญ่หลวงถึงแม้ว่าเรายังจำเป็นจะต้องใช้มาตรการในการระมัดระวังนะครับอิชะอัลลอฮ์ในสุเราเองเราก็พยายามนั่งกันห่างๆเนาะเพื่อที่จะได้เป็นแบบอย่างในการที่จะจัดกิจกรรม ที่อยู่<ม>ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคระบาดอยู่เอาละวันนี้นะครับเรายังอยู่ในสุราตุลอาคอฟใครบ า, บางคนก็ลืมไปแล้วแหละนะครับสุราตุลอาคอฟเนี่ยเรายังเหลืออีกหนึ่งหน้านะครับเชื่อหรน่าจะจบภายในสองสองตอนวันนี้กับอีกสัปดาห์หนึ่งก็น่าจะจบสุราตุลอาคอฟ เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าเราจะเอาสุรษอะไรต่อวันนี้เรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับข้อ19สุรุลอะฮ์กอฟอายะตีี่2 9 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما َ حضروه ُ قالوا َ أنصتوا فلما َ ق ض َ و َ ل ل ّ و ا إلى قومهم ِ مذرين ِ قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى มั่นศรัทลิมา ي บียนย่าดียัติอิลลัลฮุต وإيلا الطريق مستقيم <ت ص في> ق> يا قوما أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وَمَن ْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أ و ل ي ا ل ا ئ ك في ظ ل ا ّ เราห่างหายไปนานนะครับอาจจะต้องทบทวนกันสักนิดหนึ่งว่าสุรทูลอ<ม>ัครที่เราเรียนกันเนี่ยเราตากำลังพูดถึงอะไรถ้าใครช่วงทีอ่อยู่กับบ้านนะครับกักตัวอยู่กับบ้านเนี่ยถ้าได้ทบทวนเนื้อหาต่างๆในการเรียนตักซีของเราก็าหวังว่าพี่น้องจะได้ติดตามกันนะครับ เราจะเห็นว่าสุรัตุลอาคว์เนี่ยล่าสุดที่เราได้พูดคุยกันก็คือถ้าเราฟังย้อนกลับไปที่อีพีก่อนหน้านี้หรือว่าตอนก่อนหน้านี้เนี่ยว่าตาลาได้พูดถึงเรื่องราวของชาวอารเรื่องราวของชาวอารที่พระองค์ได้ทำลายเป็นการยกอุทาหอ่อนใบนบรรดาพวกมุชริกินมักกะ ได้สํานึกนะครับเพราะว่าพวกอาร์ตเป็นพวกที่มีความแข็งแกร่งกว่าพวกมุสริกนมักกะเยอะแต่สุดท้ายชาวอาร์ตซึ่งเป็นพวกของนบีฮุสเนี่ยก็ถูกทําลายดังนั้นท่านลอสุขานอวะตารจะทำลายพวกมุสลินถามว่าเป็นเรื่องยากไหมแน่นอนว่าไม่ได้เป็นเรื่องยากลาบากสําหรับอัลลอฮ์แต่อย่างใดเลย ทีนี้มาถึงตอนสุดท้ายของสุรตุลอกอหนึ่งหน้าตรงนี้เนี่ยอายะ ท, ที่เราอ่านไปทั้งหมด 29, 30, 30 31, 32เนี่ยสีอ่อายะเนี่ยเป็นการพูดถึงพวกจินกลุ่มหนึ่งทำไมอัลล์ุบฮานอเอาเรื่องจินมาพูดในสุรทุลอัครกตรงนี้ด้วยนะครับมีการอธิบาย قال المفسرون เดียวเราอธิบายอย่างนี้นะซูรนี้ยนะเาเรียกว่าหลังจากอ่าละอัติบายพวกอัตลนเนี้ยบี่ยนั้น سبحانه وتعالى جانباً من مظاهر تكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم حيث أرسل له نفراً من الجن จะตัมีงูน์อัลกุรอานและยุ่มนุนบีห์มาชาลลาะนะพวกมุชริกินไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมมนุษย์ไม่ยอมศรัทธาต่อท่านนบีไม่เป็นไรท่านนบีทำงานในการเผยแพ่อิสลามที่มักกะเป็นระยะเวลากี่ปีสิบสามปี คนที่รับอิสลามเนี่ยไม่ถึงหนึ่งพคนนะนะริวายต์ที่จำนวนจำนวนมุสลิมตอนที่อยู่ที่มักกะเนี่ยมันมันร้อยกว่าคนเองอะ่ะถ้าตามนักวิชาการบางคนก็คือร้อยกว่าคนเองยาลรอสิบสามปีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงท้ายๆตั้งแต่ปีที่สิบเป็นต้นไปเนี่ย ปีที่สิบปีที่เก้าปีที่เจ็ดปีที่แปดเนี่ยช่วงนั้นเกิดการบอยคอรดอย่างหนักมากๆแล้วพอปีที่สิบหลังจากการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยอบดุตอเลบก็เสียชีวิตอบดุตอเลบเนี่ยคอยให้ความช่วยเหลือกับท่านนบีสุลต่านละสลัลลัมแม้ว่าตัวเองจะไม่ใช่ไม่ใช่มุสลิมนนะั้นอบดุตอเลบไม่ได้รับอิสลามเป็นลุงของท่านนบีไม่ได้รับอิสลามแต่ช่วยเหลือหลานของท่าน คอยปกป้องคอยเป็นคนที่ซับพอร์ตคอยดูแลมุฮัมมัดสลต่าลอฮะสัลลัลมอย่างดีแล้วอย่างมีอย่างมีคอดีจ่าภรรยาซึ่งเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมมักกะ<ม>เวลาที่ชาวมุสลินจะทำอะไรหนักๆก็ยังเกรงใจคอดีจ่าอยู่ทำอะไรไม่ได้แต่พอที่ปีที่สิบิจราสองคคนนี้เสียชีวิต ไม่มีใครที่จะมาเป็นผู้คอยปกป้องให้เครดิตอีกแล้วยิ่งหนักเข้าไปอ่ะการต่อต้านยิ่งหนักเข้าไปใ่จนกระทั่งท่าน<ม>านับบีเนี่ยต้องไปหาคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตท่านจากนอกเมืองมักกะ น, นั่นแหละที่เป็นที่มาที่ไปว่าทําไมต้องไปที่ตอเอฟเวลาที่มีคนมาทํำฮัชในแต่ละปีแต่ละปีท่านก็จะเข้าไปพูดคุย กับเผ่าต่างๆที่เดินทางเข้ามาทำมาทำพัชในแต่ละปีไม่มีใครตอบรับท่านเลยไปมักกะไปต่อเอฟเดินทางจากมักกะไปต่อเอฟอย่ประมาณ80ดิกว่ากิโลเมตรเนี่ยไปที่บานิซักิฟก็โดนขว้างหิ น, นผู้นำเผ่าเนี่ยให้เด็กๆออกมาคว้างหินจนกระทั่งท่านนามีต้องเดินทางลงมาปรากฏว่ามนุษย์ไม่ให้ความช่วยเหลือ รับสลขอา a ล l a ุบฮานะวะตาะเเละเดินทางลงมาจากต่ อ, อิฟเนี่ยมีมาลาอีกคันที่เฝ้าภูเขานะมาหาท่านแล้วบอกว่าเอาไหมถ้าถ้าท่านต้องการเนี่ยฉันจะเอาภูเขาสองลูกนี้ไปไปอะไรเขาเรียกเอาสองลูกมาประกบอะ่ะ มาประกบเมืองต่อเอฟให้มันกระจุยให้มันอ่าให้มันแบนเลยมัชาอัลลอฮาบิบบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องนะไม่ต้องฉันหวังว่าวันนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะไม่รับอิสลามแต่สักวันหนึ่งลูกหลานของชาวต่อเอฟอาจจะรับอิสลามและขอดุอาให้อัลลอฮฺมะฟิรลิข้มีเฟินนะฮฺมลาอิอัลลามุญยาอัลลอ ได้โปรดอภัยโทษให้กับพรกพวกของฉันด้วยเถิดเพราะพวกเขาไม่รู้แต่สรุปก็คือมนุษย์ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครศรัทธาต่อชาวตอเอฟตอนนั้นไม่มีใครศรัทธาสักคนหนึ่งท่านนบีทั้งเสียใจทั้งรู้สึกปนเปไปหมดนะครับไม่มีใครคอยช่วยเหลือท่านในเหตุการณ์เดียวกันระหว่างทางเดินทางกลับมักกะท่านหยุดละหมาด นัาแสาที่ที่เรียกว่านักละอัลลอตะอลลก็เลยส่งจินกลุ่มนี้มาส่งจินจินกลุ่มนี้มาได้ยังไงาามีหลายรว่ยยัมากเรื่องจินมาฟังท่านนาบีสุลต์ละฮะอลฮัลลัมอ่านอัลกุอรอานี่มีหลายรวย่ยะมากแล้วก็มีหลายครั้งเราในสุรทุลอั์อฟมีอยู่ศีอายัดนี้ใช่ไหมครับ แต่ถ้าในาสุรษะอัลจินที่เราเคยเรียนไปแล้วเนี่ยอันนี้ทั้งสุรษะเลยเราเคยเรียนไปแล้วสุรษะจินทั้งสุรษะเนี่ยอันนั้นคืออีกเหตุการณ์หนึ่งคนละหล่ะเหตุการณ์คนละเหตุการณ์กันบางกขาว่า6ครั้งบ้างกขาว่าสองครั้งบ้างเขาว่ามากกว่านั้นเหตุการณ์ที่ยินมาเจอกับท่านนาบีสุลต่านละฮะแต่ว่าในยะที่เรากําลังจะสื่อตรงนี้ก็คือว่าในเมื่อมนุษย์ไม่ยอมศรัทธาต่อการได้อว่าของท่านนาบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮฺอาลัยฮุสเซลลัมอาระต์ตะละปลอบยโยนนบีของพระองค์ด้วยการให้มีจินกลุ่มหนึ่งมาเจอท่านนบีสัลลัลลอฮฺอาลัยฮุสเซลลัมในขณะที่ท่านกําลังละ ม, มา่อิชาอยู่แล้วฟังอัลกุรอานที่ท่านนบีอ่านปรากฏว่ายินเหล่านี้เข้าใจฟังแล้วนี่รู้สึกได้ทันทีเลยว่าอันนี้คือไม่ใช่คําพูดของมนุษย์ ต้องเป็นวิญยาจาก Allah سبحانه และ تعالى นแ น, น่นอนนี่แหละคือที่มาที่ไปของอันนี้วะวิสารฟนาอิเลกะนาฟารันมินัลจินจงรำลึกเถิดในขณะที่เรานั้นได้ทำให้จินกลุ่มหนึง่งนำจินกลุ่มหนึ่งมายัางเจา้าเพื่อที่พวกเขาจะได้ฟังอลัลกุรอานนะฟารันมินัลจินในภาษาอาหรับเนี่ย คำว่านะฟารอนเนี่ยหมายถึงระหว่างสามถึงสิบนะฟอรอนจำนวนตัวเลขมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามถึงสิบคนก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเป็นยินกลุ่มหนึ่งที่มานั่งที่เข้ามาฟังฟัลัมมาฮะดรูฮ์กาลูอัมซิตูมาชาอัลลอฮเป็นยินที่มีมารยาทดีมาก จินมีมารายาทดีมากเลยมามาย่งไรพอได้ยินอายะที่ท่านอบีอ่านในอัลกุรอานในละมาตเนี่ยบอกว่าอย่างไงพูดกันในในระหว่างกันเองว่าอึงสีตูตั้งใจฟังให้ดีนีน่ไม่ได้มาสร้างความวุ่นวายนะไม่ได้มาพูดโ อ, อ, อกเวไม่พอตั้งใจฟังให้ดีตั้งใจฟังให้ดีว่ากําลังอ่านอะไรกําลังพูดอะไรนี่คือเขาหมายความว่าอึงสีตูในระหว่างที่ท่านอบีอ่าน ฟาร์มกุบีะหลังจากที่ฟังเสร็จแล้วท่านนบีละหมาดเสร็จอะไรเสร็จสับเรียบร้อยวัลลออิลลก้ามิฮิมมุนซิรินจินเหล่านี้ก็กลับไปยังที่พักหรือว่าภูมิลําเนาของตัวเองกลับไปยังหมู่ชนของตัวเองในฐานะอะไรมุนดิรินในฐานะผู้ที่ทําหน้าที่ในการตักเตือน มาชาอัลลอฮเอาอายัดนี้อันนี้ลองเอาอายัดนี้ก่อนลองถอดบทเรียนจากอายัดนี้ก่อนอายัดนี้นี่พูดถึงอะไรบ้างครับถ้าเราจะถอดบทเรียนอันแรกเลยความตั้งใจของจิตมรารยาทในการเรียนเวลาเรียนก็คือเรียนตั้งใจฟังเพื่อที่จะได้รู้จริงๆว่าคนสอนกำลังพูดอะไรเขาเรียกว่ามรารยาทมีอดัต ในการตั้งใจฟังความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้เข้าใจจริงๆเพื่อที่จะได้จำจริงๆเรียนรู้คนเดียวยังไม่พอกลับไปแล้วเนี่ยไม่ได้น ง, ง่งเงียบอยู่คนเดียวแต่เขาเรียกว่ามีจิตสานึกในการที่จะบอกเล่าบอกต่อสิ่งที่ตัวเองรู้ให้คนอื่นด้วยมาชะอัลลอฮ์พวกเรา เป็นเหมือนจินกลุ่มนี้ด้วยไหมพวกเราเวลาเรียนเราตั้งใจไหมตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างแล้วเวลาที่เรียนแล้วรู้เนี่ยเอาไปบอกต่อคนอื่นไหมถ้าทำหน้าที่สองอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยอาจจะอายจินกลุ่มนี้หน่อยนะต้องดูตัวอย่างของจินแล้วเราะละลให้เกียรติทั้งท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมด้วยการให้จินมาสัตยทาต่อท่าน และในขณะเดียวกันอัลลอลฺก็ให้เกียรติจินกลุ่มนี้ด้วยการพูดถึงพวกเขาในในอัลกุรอานของพระองค์วันนี้เนี่ยเราเอาจินมาเป็นครูเราไม่ได้บอกว่าอยากจะให้เราไปหาจินมาเป็นครูแต่จะบอกว่าจินที่ศรัทธาต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลละสลัมกลุ่มนี้เป็นครูเราได้เลยเพราะบางทีนะครับมันมีอยู่สองอย่างนี่แหละเวลาเวลาเรียนตั้งใจหรือเปล่าแล้วเวลา ถ้าตาใจเรียนก็จะเข้าใจถ้าไม่ตั้งใจก็ไม่เข้าใจเนื้อหาที่บางทีเราเรียนกันอยู่แล้วเมื่อเข้าใจแล้วเนี่ยหยุดอยู่ที่ตัวเราคนเดียวหรือสามารถบอกต่อไปยังคนอื่นได้ด้วยมชาชศรัทนะครับถ้าเราดูจากอายัดนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลา์กลุ่มจินกลุ่มนี้ทำหน้าที่ได้อย่างดีมากในขณะที่ฟังก็ฟังอย่างดี และเมื่อกลับไปแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีด้วยเช่นเดียวกัน Akbar. อัลลอฮฺมาดูเวลาที่กลับไปยังพักพวกของตัวเองแล้วเนี่ยพูดว่าอย่างไรพวกเขาพูดว่าโอ้พักพวกของฉันโอ้หมู่ชนของเรา สัมผังนาคัตาบันอุนซีลามินบัดมูซาเราได้ฟังคำภีเราได้ฟังคำภีเล่มหนึ่งแน่นอนว่าคำพีเล่มนี้ต้องมาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อุนซีลาถูกประทานลงมาหลังจากนบีมูซาอะลัยฮิสสลาม มุัดดิัลมาในย่ได้เป็นการยืนยันในสิ่งที่มูซานั้นได้นำมาก่อนหน้านี้ยะอดีอิล الح ะ الحق وإلى طريق ا ل م س ت กี م เป็นคำพีทีที่ทางสู่สัจจ ร, รมสู่แนวทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮฺอกบดรกล่าวกันว่าทำไมที่ยินกลุ่มนี้ต้องพูดถึงชื่อของนบีมมซาด้วยครับ ทำไมไม่พูดถึงชื่อของนบีนบีคนอื่นๆเป็นเพราะอะไรกลาววยาข้มะนาอินน่าสมีณคัตตาบันอาติมอาติอาติมอาติมอาอาติมอาติมอาิมอาอาติมอาติมอาอาติมอาติมอาิมอาติมอาติมอามอาติมอามาติาติมอาตติมอาติาติมาตอาิมาติมาตอาอ ولأن الكتاب المنزل عليه ชาเอมชาเอมรมั้ยก ا ل าวอเล قوله أُنزل من بعد موسى ذكروه دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه إ ن د ا ه ل الكتابين พวกจินเนจอมพูดถึงท่านนบีมูซ่า عليه السلام เพราะอัลกุรอานเน เนื้อหาของมันเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับคำภีร์ที่ถูกประทานลงมายังมูซาอัลเลาะหลาหเนื้อหาอัลกุรอานกับเนื้อหาเตารอดเนี่ยถ้าเป็นเตารอดที่ยังไม่ได้ถูกแก้ไขบ็ดเบือนเนื้อหาเดียวกันและที่พูดถึงนบีมูซาคนเดียวไม่ได้พูดถึงนบีอีซาก็เพราะว่าเตารอดกับอินเจลเนี่ยเตารอดกับอินเจลเนี่ยก็เนื้อหาเดียวกันอีก อันนี้คือทัศนะหนึ่งที่บอกอย่างนี้แล้วมีบางท่านที่บอกว่าเนื่องจากว่ายินเหล่านี้เป็นยินที่มีชีวิตอยู่ในสมัยของนบีมูซาอัลลอฮิสサラห์มาชาออลลอฮฺแปลกใจไหมเพราะยินมันสามารถที่จะมีอายุอายุยืนยาวนะพวกยินเนี่ยมีอายุยืนยาวมากกว่ามนุษย์เพราะฉะนั้นอัลลอฮฺนะครับเหตุที่พูดถึง คำพีของมูซาโดยที่ไม่ได้พูดถึงคัมภีร์ของอีซาแต่ยอย่างใดแต่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ตวรรษที่ประทานลงมายัางมูซาคัมภีร์อินทียที่ประทานลงมายัางอีซาอะลัยฮิสสลามลวนแล้วเป็นคัมภีร์ที่มาจากอัลลอฮ์และเนื้อหาของอัลกุรอานก็ยืนยันความถูกต้องของคัมภีร์ทั้งสองเล่มนี้นะครับ เป็นการให้คุณลักษณะคำเพีร์อัลกุรอานที่งดงามมากยฮดีอิลลัเป็นคำมพีร์ทีอ่อะไรนะยะฮดีให ah ้หิดายัชี้ทางสู่ความถูกต้องอิลลักก็คือความถูกต้องว่าอ e ิลาตรีกมุสติกมและชี้ทางไปสู่เส้นทางที่เที่ยงตรงอัลลอฮสามสิบสี่บอกว่ายังไง นี่แสดงว่าพวกยินเหล่านี้มีความศรัทธาในนบีมูซาและคำภีของพระเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ยินอัลกุรอานพวกยินรู้สึกว่าอัลกุรอานให้คำสอนเดียวกันกับที่นบีคนก่อนๆได้สอนไว้ดังนั้นพวกยินจึงศรัทธาในคำภีนี้และในท่านรอซูล u ล l a h ซึ่งเป็นผู้นาคมพีมามาชาลลาถ้าเราจะเรียกก็คือเป็นยินอัลกิตั จินอะลกีตาร ก, ก็คือจินที่เคยฟังคำภีต่างๆก่อนหน้านี้มาก่อนวถ้าเราดูในตับซีฟ ข, ของอินโนเกซีรเนี่ยอินโนเกสีฟจะเอารีวยทยาที่เยอะมากที่พูดถึงการศรัทธาของจินแล้วก็การที่จินนี่มหาท่านนบีสโลลล็อควาเลลเซนนะเพราะว่ามันมีรายวิทยาจริงๆนะครับหลายเรวิทยาจริงๆในจํานวนเรวิทย์ที่พูดถึงการมหาท่านนบีของพวกจินเนี่ยน่าจะเป็น เ, เราจะเคย น, น่าจะเคยพูดแล้วตอนที่เราตัซิ ส, สู้เราตุลยินก็คือว่าก่อนหน้านี้บนท้องฟ้าเนี่ยจินมันจะมีสถานีของมันอยู่หรือถ้าเป็นภาษาภาษามนุษย์ก็คือมีอะไรมีป้อมมีมีศาลามีของไปนั่งเฝ้าะแล้วเวลาที่มีวายูหรือมีข่าวที่มาล่กัจะเอาลงมาให้กับ มนุษย์ให้กับบรรดานาบีเนี่ยพวกยินพวกนี้ก็จะคอยขโมยขโมยข่าวสารเหล่านี้แต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งปรากฏว่าพอจะไปขโมยข่าวสารต่างๆที่เป็นวายุที่เป็นข่าวสารของบรรดาเมลากั๊กที่มานํา ม, มาจากท้องฟ้าเนี่ยพยายามจะไปขโมยข่าวสารเนี่ยปรากฏว่ามีดวงไฟมาขโมยไม่ได้เหมือนกับครั้งก่อนหน้านี้ ก็เลยกลับไปราย ง, งานหัวหน้าของพวกมันไปราย ง, งานให้อิบลิสแต่บอกอิบลิสบอกว่าเนี่ยเราไปขโมยข่าวไม่ได้แล้วไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ที่ว่ามีไฟลงมาลงมาทําลายพวกเราอิบลิสก็บอกว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่ๆสักอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นบนโลกก็เลยส่งพวกยินเนี่ยออกไปตระเวรตามหาบนโลกแล้วก็ปรากฏว่า จินกลุ่มหนึ่งก็ไปเจอกับท่านนาบีสุลต์ละฮ์มาแล้วสัลลัมในขณะที่ท่านกําลังอ่านอัลกุรอานและ น, ละนี่นะครับก็เลยกลายเป็นหลักฐานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีความเกี่ยวโยงกับการที่อัลลอฮ์สุลตางตาลาได้แต่งตั้งนบีคนใหม่มาแล้วและในยุค ข, ของนบีมูฮัมมัดสุลต์ละฮ์สัลลัมนี้พวกจินไม่มีโอกาสที่จะขโมยวะฮิยูอีกต่อไป เป็นการรับประกันว่าอัลกุรอานนี้ไม่มีการเคล้ลวไม่มีการปะปุนจากการทำอะไรนะเขาเรียกการมั่วซั่วของพวกจินนะครับนี่คือหนึ่งนจำนวนเรียัยะที่ถูกกล่าวถึงในต ف ซี ر ของอิมมนุคซีรอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละที่ a l าได้ปกป้องวะฮยูของพระองค์ให้ปลอดภัยจากการ เ, าเข้ามายุ่งเกี่ยว ของพวกยินที่เป็นลูกสมุนของอิบลิสเหล่านี้นำซ้ำและจินพวกนี้ยังศรัทธาต่อคำพีอัลกุรอานของ Allah, ح ح อาาลาัลลอฮ์ سبحانه ละที่ประทานให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลุลลัลลอฮุอะลัยฮิวสัลลัมด้วยนี่คือวิธีการด่าวะนะครับกลับมาพูดกับกลุ่มชนของตัวเองว่าเราได้ฟังคำพีเล่มใหม่ที่ถูกประทานลงมายังมูซายากลามาณะ อาจีบุดายาลลาแลาอามินุบะโอ้ปา พ, พวกของเราเอ้ยจงตอบรับคําเชิญชวนของดายีดายาลลาหมายถึงดายียีเราเคยได้ยินใช่ไหมคานี้ดายีดายีก็คือผู้เรียกร้องผู้เชิญชว น, นผู้เชิญชวนที่เป็นผู้เชิญชวนของ Allah سبحانه وتعالى อาจีบุดายะ a l l kan, ah, a จงตอบรับผู้เร um ียกร้องไปสู่อ l ล a h และมิโนบิจงศรัทธาต่อพวกเขาเถิดเป็นการปลุกเร้าเรียกร้องในลักษณะของการปลุกเร้าเพราะว่าถ้าศรัทธาถ้าตอบรับการชวนชวนของท่านนบีมุฮัมมัดแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นยฟิิคุมมมนนูบ ว่ายิดคุ ม, มินอาญาบันอลิม Allah taala จ ja ah ะอภัยโทษให้กับพวกเจ้า Allah هو أكبر. นะถ้าตอบรับคำเชิญชวนของท่านนาบี Allah จะจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าที่เคยที่พวกเจ้าเคยทำผิดมาก่อนหน้านี้พระองค์จะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าทุกคนที่รับอิสลามถ้าสมมุตินะใครที่ ตอนหน้านี้ไม่ได้เป็นมุสลิมทำผิดมาทั้งชีวิตกี่ปีก็ไม่ว่ า, ากันสี่สิบปีตลอดสี่สิบปีทำผิดมาตลอดพอครบอายุ4ี่สิบรับอิสลามบาปที่ทำมา4ี่สิบปีเป็นยังไงครับลบหมดเลยอันนี้คือตัฟซีรถ้าเราจะบอกว่ามินซูนูบิคมตรงนี้เนี่ยมินตรงนี้เป็นมินซาอิดะ ลีเขาเรียกว่าในภาษาในนาฮูในหลักไวยากรณ์ภาษาอ раб เนมินซาอิดะก็คือเพื่อที่จะเน้นความหมายว่าอาราตอะไรจะอภัยโทษให้กับพวกเจ้าจริงๆแต่ถ้ามินตัวนี้เนี่ยมีความหมายว่ามินลิตะบียด ใ, ใครที่เรียนนาฮูต้องต้องเข้าใจนะมินตัวนี้ลิตะบีดก็คือบาปส่วนหนึ่งจากพวกเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นการอธิบายว่าพวกยิน กลุ่นี้เข้าใจที่จะใช้คำมินซุนุบิกลหมายถึงว่าอยู่ที่อัลลอ์เป็นสิทธิของอัลลอ์ที่พระองค์จะอภัยเยนโทษถ้าพระองค์จะไม่อภัยก็เป็นสิทธิของพระองค์แต่ถ้าพระองค์จะอภัยก็เป็นสิทธิของพระองค์ไม่ใช่สิทธิของเราที่จะเรียกร้องว่าพระองค์จะอภัยหรือไม่อภัยเป็นการแสดงถึงมารยาทของเรากับอัลลอ์สุบฮานตาลาเราไม่ไปก้าไกา่สิทธิ ของอัลลอฮ์ในการที่จะอภัยให้กับมนุษย์มอบหมายกลับไปที่อัลลอฮ์แต่ถามว่าจริงๆแล้วอัลลอล์ก็สัญญาเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าใครที่รับอิสลามท่านนาบีนก็บอกชัดเจนนะใครที่รับอิสลามการรับอิสลามของมนุษย์จะเป็นการทําลายบาปทั้งหมดที่ผ่านมาของเขาได้หมดเลยยาฟิรละคุมินดูโนบิคุมวายูจิรคุมินอาซาบินอัลีและอัลลอฮ์จะให้เจ้านั้นปลอดภัยจาก การลงโทษอันเจ็บปวดอันนี้เขาเรียกว่าในภาษานักดาวะเขาเรียกว่าอุสลูมุต ร, ร, รีการปลุกเร้าให้คนอยากจะทําตามปลุกเร้าด้านหนึ่งใช้ตรุ ร, รีในขณะที่อีกด้านหนึ่งนั้นใช้วิธีการขู่สัมทับอายัด ต, ต, ต่อไปเนี่ยตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามกับอายัดนี้อายัดตัดไปไว่ายังไง ยา ق و م และวเมนลาอยุจิบ د ا ع ي ล ل ل ه فليس بمعجز في และใครก็ตามที่ไม่ตอบรับการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ก็จะไม่มีอำนาจใดในแผ่นดินช่วยให้เขารอดพ้นไปจากอัลลอ์ตาลาได้เห็นไหมครับตรงกันข้ามเลย นะอันนี้เขาเรียกว่าตรหีบตรรีบปลุกเราให้อยากทำตามตรหีบเป็นการเตือนว่าถ้าไม่ทำตามแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะใครที่ไม่ทำใครที่ไม่ตอบรับการเรียกร้องของดาอิอลลอเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาถ้าสมมุติว่าอัลลอทษเาในโลกด น, นี้่ย ไม่มีใครที่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ไ, ไ, ไม่มีใครที่คุ้มครองได้อูลอีกาฟีตลาเลลิ ม, มบีนและคนเหล่านี้ก็จะต้องอยู่ในความาหลงทางที่ชัดแจง ต, ตรงกันข้ามกับคำว่าย่ดีอีลาลฮักว่าอีลาตรีค์มุสติกี ม, มชาชนะลอห์นี่คือโดยประมาณนะครับ เรื่องราวที่อลัอลลอฮฺพูดถึงยินกลุ่มหนึ่งที่มาหาท่านนาบีสลุตสลต่านละฮ์เพื่อเป็นการให้เกียรติท่านนาบีนะครับในขณะที่บรรดามนุษย์นั้นไม่ยอมรับการด่าว่าเชิญชวนของนบีมุฮัมมัดแต่ยินกลุ่มนี้ได้ประกาศตัวเองว่าพวกเขานั้นได้ศรัทธาต่อบริษัทละหรือสิ่งที่ท่านนาบีได้นํามาจากอลัลลอฮ์มาเผยแพร่แก่มนุษยชาตินะครับมีบทเรียนบางอย่างหรือว่ามีหุกกบบางอย่างที่ ในตัฟซีตเนี้ยพูดถึงเป็นเป็นบทเรียนที่เราได้รับจากเรื่องราวของยินนะครับมละ أ ก่นเองอินวัลจินบทเรียนข้อที่หนึ่งที่เราได้รับจากอายัเหล่านี้ก็คือว่าการดาวะของท่านนบีนั้นส่งมาทั้งมนุษย์และก็จินพร้อมๆกัน แต่แดาว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะศา ส, สนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาให้กับมนุษย์อย่างเดียวแม้กระทั่งพวกยินเองก็วาจิบจะต้องรับอิสลามภุกกรมการรับอิสลามเนี่ยเกี่ยวข้องทั้งยินและและมนุษย์นะไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะยินเออไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อย่างเดียวนะครับแม้แต่ยินเองก็จําเป็นที่จะต้องศรัทธาต่ออิสลามด้วยข้อที่สองอันที่ห้าที่ละอายะจะดุลลุ على أن حكم الجن كحكم الإنس في الثواب والعقاب وفي و ج و ب العمل بما أمرهم الله وفي و ج و ب الانتهاء عما نهاهم عنه นี um ่บทเรียนข้อที่สองก็คือว่าอายตเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าภุกมของพวกจินก็เป็นภุกมเดียวกันของมนุษย์นั่นเองภุกบอะไรบ้าง ในการที่ว่ามีผลมีบุญมีบาป่ถ้ามนุษย์ทําดีแล้วได้บุญพวกยินทําดีได้บุญไหมได้บุญเหมือนกันมนุษย์ทําชั่วแล้วได้บาปพวกยินเองทําชั่วก็ได้บาปมนุษย์ทําดีได้บุญในวันอาคิีรัตได้เข้าสวรรค์พวกยินได้เข้าสวรรค์ไหมได้เข้าสวรรค์ไหม บังคนใส่หัวรู้ได้ยังไงว่ายินไม่เข้าสวรรค์เข้าหรือไม่เข้าเข้าสวรรค์เหมือนกันแต่ถ้ายินทำผิดถ้ามนุษย์ทำผิดตกนรกยินทำผิดตกนรกไหมก็ตกนรกเช่นเดียวกันเพราะว่าชัปอนอก็ต้องตกนรกอันนี้เอามาจากอายัดไหนจำได้ไหมในสุรตุรห曼สุรตุรห曼อาาลาัลตัล่าพูดถึงอะไรพูดถึงทั้งยินและ มนุษย uh ์บิเอลและเอรบิกุมานือมันตอันไหนของพวกเจ้าทั้งสองพวกเจ้าทั้งสองตรงนี้คือใครคือจินกับกับมนุษย์ซาบิเอลและเรบิกุมาตุกษเบานแล้วเวลาเขาสวรรค์เนี่ย Allah ก็บอกว่าลายมัสฮุนอินซุนวะละวะละจานฮูรุลอินสาวสวรรค์ที่อ l l a h t จะให้เป็นผู้ครองของชาวสวรรค์เนี่ยพระองค์บอกว่าเป็น สาวเป็นหญิงสาวที่มนุษย์ไม่เคยแตะต้องและจินไม่เคยไม่เคยแตะต้องแสดงว่าตัวจินเองก็สามารถที่จะเข้าสวรรค์และได้รับสิ่งต่างๆที่เป็นความสุขสบายเหมือนกับที่มนุษย์เองก็ได้รับเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องราวของจินนะกลับไปทบทวนในสุรตุลจินดูนะครับว่าเราเรียนเรื่องอะไรบ้างนะเพราะว่าโลกนี้เราไม่ได้มีแต่มนุษย์อย่างเดียวนะเรามีอีกอีก เหมือนเป็นคู่ขนานกับเราอ่ะการเรียนรู้เรื่องจินบางทีก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้ถูกไม่มีเวลาและที่จะอธิบายวันนี้กลับไปดูเองนะครับในทั้งในสุรตูร์รัชม์และก็ในสุรตูร์จินที่เราพูดถึงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะเลยนะครับตอนหน่าจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่ลตลัลลาพูดถึงเรื่องเราที่จินมารับอิสลามกับท่านนาบีเป็นการปลอบโยนท่านนาบีสุดท้ายลตัลตาลาจะสรุปอย่างไร กับเหตุการณ์ที่บรรดาพวกมุสลิยังคงดื้อด้านไม่ยอมที่จะรับไม่ยอมที่จะศรัทธาต่อท่านนบีมุ h a m m ص ل الله عليه وسلم วันนี้พากันอ่านนะครับวะแล้วแต่ละอาลัมรักษะอัลลอฮฺเอียะคุมลิมาญิฮิบุยรดะซุลลัลลัลลอฮฺอัลลนบีนะมุ hammad นะอัลลอฮฺอัลลอฮฺและสุลลัมซุลฮานะรับบิริลซตมยิฟวะลามุนอลลมุซลีนัลฮัมดุลิลลฮรบบิลอาลมสซลามอลัยุ